จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สตุลาคมพุทธศักราช2552เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันปวารณาออกภรษา และเป็นวันที่ท า, างวัดยาสังวรารามได้จัดพิธีตักบาตรเทโวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์หลังจากที่ได้ทรงขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาอยู่เป็นเวลาหนึ่งพันษาอบรมสั่งสอนพระพุทธมารดา จึงได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระอริยเจ้านี้มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันขั้นที่สองพระสกิดาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีและขั้นที่สี่คือพระอระหันต์นี่คือพระที่เรา นับถือกราบว่าบูชาเป็นสังคารัตนาะเป็นสงอาเรยส่์เป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่สัตว์โลกได้เพราะผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาเรยสบุคคลแล้วเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นแล้วว่ า, านารกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงพราะพุทธเระพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเพราะทมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของจริงพระอาริยสงสาวกที่ได้บรรลุอาริยธรรมขั้นต่างๆก็เป็นของจริงได้เป็นของที่พวกเราสามารถน้อมเอามายึดเหนี่ยวเป็นแบบเป็นฉบับเพื่อที่จะยก พวกเราให้ได้เป็นพระอาริยบุคคลตามลำดับต่อไปนี่คือความสำคัญของวันตักบาทเทวโอเพื่อจะแสดงให้เรารู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้มีจริงอย่างพระพุทธมาดาที่หลังจากประสูตริพระพุทธเจ้าได้เจ็ดวันก็เสด็จสอนวัคคตแล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้า ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ทรงเลงยานหาดูว่าพระพุทธมารดาอยู่ที่ไหนก็ทรงพบว่าอยู่บนสวรรค์และเนื่องจากความกตัญญูกะตะเวทีในพระไถยของพระพุทธเจ้าทรงมีความปรารถนาที่จะทดแทนบุญคุณของพระมารดา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลี้ยงพระพุทธเจ้ามาก็ตามแต่ได้ทรงให้ชีวิตกับพระพุทธเจ้าคือทรงประสูติทรงคลอดพระพุทธเจ้าออกมาบุญคุณนี้พระพุทธเจ้าทรงสำนึกว่าเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่มากและมีความปรารถนาที่จะทดแทนบุญคุณด้วยการสอนพระพุทธมารดา ให้มีดวงตาเห็นธรรมเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามพอได้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยะเจ้าแล้วบุคท่านก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายอีกต่อไปพระโสดาบันนี้ท่านมีชาติ กำเนิดเหลืออยู่ไม่เกินเจ็ชาติเป็นอย่างมากแล้วท่านก็จะบรรลุถึงพระนิพพานได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ได้เพราะผู้ที่ได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นต้นแลน้วนี้เป็นผู้ได้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานคือกระแสนี้จะพาให้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างง่ายดาย และไม่ต้องหลงทางควานหาทางต่างๆเพราะรู้แน่ว่าทางนี้เป็นทางเดียวที่จะพาตนให้ไปสู่พระนิพพานได้พาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละเป็นความวิเศษของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถมาปลดเปลื้องสัตว์โลก ให้หลุดพ้นจากกองทุกได้ให้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายได้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่สามารถสั่งสอนบิดาหรือมารดาให้ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้ได้ชดใช้บุญคุณแก่บิดามารดาอย่างเต็มที่แล้วสมบูรณ์แล้ว นอกเหนอจากนั้นแล้วต่อให้เลี้ยงดูท่านจนท่านแก่ชราและตายไปก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทนบุญคุณอันสูงส่งของบิดามารดาได้มีทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องสอนให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลการที่เราจะสอนผู้อื่นให้เป็นพระอริยบุคคลได้เราก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลก่อน ถ้าเราไม่เป็นพระอริยบุคคลเราจะไปสอนผู้อื่นให้เป็นได้อย่างไรเหมือนกับถ้าเรายังทำกับข้าวไม่เป็นเราจะไปสอนให้คนอื่นเขาทำกับข้าวได้อย่างไรเบื้องต้นเราต้องสอนตัวเราเองเราต้องศึกษาก่อนว่าวิธีทำกับข้าวทำอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีทำกับข้าวทำอย่างไรและเราสามารถทำอาหารได้อย่างอร่อย เราค่อยไปสอนผู้อื่นวิธีการทำอาหารที่ อ, ร, อร่อยนี้ว่าทำอย่างไรเช่นเดียวกับการที่จะสอนผู้อื่นให้ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลผู้สอนนั้นก็ต้องบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วเหมือนกับคนที่เดินทางไปถึงสถานที่แล้วรู้แล้วว่าสถานที่ที่ต้องการจะไปนี้ ไปอย่างไรอยู่ทิศใดเมื่อเดินทางไปถึงแล้วก็สามารถกลับมาสอนมาบอกผู้อื่นที่อยากจะไปได้ถ้ายังไม่รู้ทางยังไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่าไปสอนผู้อื่นให้เสียเวลาเพราะจะเป็นเหมือนคนตาบอดนำทางคนตาบอดจะไปไม่ถึงไหนกันดังนั้นถ้าพวกเรามีความปรารถนา ที่อยากจะทดแทนพระคุณของบิดามารดาขอให้เราศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเราได้บรรลุอริยามรรคอริยผลแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาก่อนที่ได้ก่อนที่จะตัดสร้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยไปเกี่ยวข้อง กับการสั่งสอนผู้อื่นทรงทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใ จ, จต่อการบำเพ็ญเพื่อให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานพอได้ทรงบรรลุแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์ที่เหลืออยู่ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยการสั่งสอนธรรมะให้แก่สา์โลกทำให้ปรากฏมีพระอาหารหันต มีพระ อ, อริยเจ้านับเป็นจานวนมากมายมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเรามีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันก็เพราะการเสียสละของพระพุทธเจ้านี้เองทรงเสียสละเวลาที่ที่พระ อ, องค์รีเหลืออยู่นั้นมาสั่งสอนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพาน แล้วหลังจากนั้นภาษาวกก็รับภาระต่อมาถ่ายทอดกันตามลำดับต่อมาจนถึงปัจจุบันพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงพระอริยสงสาวกก็มีจริง ถ้าเราน้อมท่านทั้งสามนี้เข้ามาสู่ใจเป็นแบบเป็นฉบับและปฏิบัติตามรับรองได้ว่าไม่นานพวกเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันกับพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ก่อนที่ท่านจะได้บรรลุท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านแต่ท่านมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอน แล้วได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดดังนั้นในวันที่เรามาทำบุญตักบาตรเทวนีขอให้เราน้อมลํำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า น้อมนําลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกทั้งหลายเพื่อเราจะได้เกิดศรัทธาที่จะนําเอาคําสอนของท่านเอาแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเป็นศีลมงคลแก่ชีวิตของพวกเราต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาทําบุญในวันตักบาตรเทโวนี้ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องของความกตัญญูกตเวทีให้ท่านได้นำไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงของยุติไว้เพียงเท่านี้